บิดามารดาเป็นบุพกาจารของบุตรธิดาบิดามารดาเป็นพระหันของบุตรธิดาท่านเน้นหนักมีแต่ยกสูงสูงทั้งนั้นเลยเม่พ่ออะไรเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้มีเมตตาต่อบุตรธิดาเห็นไหมพวกเราขนาดจัตตดรฉานอย่างไก่อย่างเนี้ยอย่างหมาอย่างนี่เล่ยวัวควายอย่างเนี้ยถ้าเราไปใกล้ลูกมัน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 เนรคุณพ่อแม่ผู้นั้นเหมือนกันเนรคุณพระรหันในครอบครัวบาปหนักอีกเหมือนกันบาปกับบุญอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับคณะทายาิโยมลูกหลานทุกคน ล, กลูกลูกหลา น, ลานยุคนี้สมัยนี้วิทยาศาสตร์การเจริญทางด้านวัตถุโดยมากจะห่างเหินในการระลึกถึงประคุณของบิดามารดาที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยิน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 ในเมื่อท่านเท่าแก่ชรลาเราก็ต้องเลี้ยงท่านเอชักผ้าให้ท่านอาบน้ำให้ท่านป้อนข้าวให้ท่านเมื่อท่านทานอาหารไม่ได้ท่านเป็นอมาพึกอามาผเป็นหน้าที่ของบุตรทธิดาจะต้องช่วยกันดูแลเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก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 จะไปที่ไหนบุญกุศลจะพาไปเราจะไปเกิดหร้อไปเกิดไปเกิดได้ตระกูลไหนประกวตระกูลสัมมาทิฐิหรือตระกูลมิตรสาธิติหรือจะไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้นทางว่าเรามีบุญถ้าเรามีบาปแล้วก็นั่นลหละไปไม่ได้บาปวกคุศลจะเป็นเพื่อนสองอีกเหมือนกันเข้าไปล็อกแขนเข้าไปจะไปตกนรกหลุมไหนเพราะตาแกทาความชั่วนะ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 พอพ้นออกไปแล้วท่านจะหมดไปแต่ถ้าหากว่าเ อ, อเราทําสร้างบุญสร้างกุศลก็จริงเ อ, อแต่ว่าเมื่อเรามาออกมาแล้วเนี่ยบาปกุศลก็ยังให้ผลอยู่นะอนัตตทาญาจโจรลูกหลานอย่างพระโมก ค, คลาเนี่ย อ, อท่านได้เป็นพระหันเ อ, อมียานเหาะเหินเดินฟ้าได้เป็นพระหันแต่ก็ยังถูกโจรฆ่าเนเอยทาไม